Thank uh you. -huh. ทำประกอบกับการปฏิบัติเราปฏิบัติธรรมการได้ยินได้ฟังไปประกอบเพื่อให้เกิดการสะดวกในการกระทําความเพียรจะพูดถึ ง, ถงการปฏิบัติลักษณะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเหมือนกันทุกทุก คนท่อผู้ปฏิบัติมีสติกับกายก็มีเหมือนกันความหลงก็มีเหมือนกันความงงเหงาเหงานอนก็มีเหมือนกันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สตินั่นถ้าจะเห็นก็เห็นเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในมิตในมิตเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะไม่ใช่ของจริงมิตไม่ใช่ของจริงเป็นสีเป็นเสียงเป็นรูป ต่างๆนั่นไม่ใช่ของจริงเราเห็นความง่วงเราว่าจริงแล้วความง่วงเกิดกับชีวิตของเราความหลงก็เกิดกับชีวิตของเราความสุขความทุกข์ความรู้ความอะไรต่างๆ ม, มันเกิดกับชีวิตของเราแต่มันมีจริงแต่ว่ามันไม่จริงไม่ใช่ของจริงเราก็จะหลงตรงที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่หลงตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติแต่ยังหลงกับอาการต่างๆ ท, ท, ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราไปกับความหลงเช่นมันคิดก็ไปกับความคิดอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่ปฏิบัติคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจนั่นแตหลงไปกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจจนปรุงจนแตง่ง นั่นไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องจัดเจนเรื่องนี้พอสมควรพอมันหลงไปกับความคิดรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกว่าจัดเกณฑแล้วแม่นยำแล้วแก้ไขแล้วปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวความหลงความรู้สึกตัวเป็นการ รายการของความหลงมวลเราเปิดโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์เราต้องการจะฟังข่าวเรื่องราวต่างๆเขาสแสดงที่ไม่ใช่ข่าวเราก็ปิดก็กดรีโมทปิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับันอื่นแล้วก็ฟังข่าวก็สาเร็จประโยชน์เราไปหลงอยู่กับอาการต่างๆที่ อะการแชรกซ้อนขึ้นลบกวนมันก็บางทีก็หลงไปเลยบางทีเขาก็โคชดางทําให้เราหลงเอาอพ่อมๆก่อนล้วก็มีชีวิตเรามีสิทธิที่จะต้องปิดได้ที่เขาแสดงออกมาทางกายทางจิตเราก็ปิดไว้ก่อนต่จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเหตุเป็นผลก็ปิดไว้ก่อนเวลานี่เรามาเจริญสติ ติดตามเรื่องของการมีสติไปเรื่อยๆอความหลงของหน้าของตัวก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านความหลงเป็นความรู้มันวิเศษไม่ใช่ของเล็วนะแต่ว่าบางคนไปยุ่งไปยากซะไปยากกับความคิดที่จริงมันเป็นของดีความหลงมันเป็นของดีเพื่อจะได้รู้มันก็เราทํางานวกนกส้มนก แก้ไขสิ่งที่มันผิดไปเห็นของที่มันผิดที่มันใช่ไม่ได้เช่นสายไฟของรถทำไมมันจึงไม่มันไม่ขึ้นพอเขาดูไปดูไปดูไปเขาไปเห็นโอ้มันตรงนี้เขาก็แก้ตรงนั้นแก้ตรงที่มันไม่ถูกแล้วมันก็ใช้ได้อะเ น, นี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนช่าง เรียกว่าเป็นนายช่างได้ถ้าแก้ความเสียให้มันเกิดความดีให้มันใช้ได้เขาเรียกไม่เรียกว่านายช่างชีวิตของนักปฏิบัติต้องแก้ความหลงเป็นความรู้แก้ความผิดเป็นความรู้แก้ความถูกความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวแก้ความโลภความโกรธความหลงเป็นความรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติถ้าจะเป็นทางก็ต้องเป็นไปแบบนี้ทางเดินของจิตใจ ทางไปสูงมากสู่ผลต้องเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เรียนอะไรต่างๆเป็นความรู้สึกตัวไปทั้งหมดเรียกว่าสร้างทางเริ่มแรกอาจจะพระหลงพลังบ้างไม่เป็นไรปัดคล้องอยู่กับความหลงความคิดมันจุ่มมันติดอะไรมามันก็ขวงหน้าขวงตาคนมีลูกก็คิดแบบผู้มีลูกผู้มีผัวมีเมียก็คิดแบบคนมีผัวมีเมียคนมีอะไรก็คิดแบบคนมีแบบนั้น คนไม่มีอาจจะคิดแบบคนไม่มีก็ได้อ่ามันหลงมันหลงได้หลายลักษณะลักษณะของการเดินทางในสภาพของกิตเหมือนๆกัน แ, แต่เราเปลี่ยนเป็นความรู้นะนะคือว่าใช้ได้แล้วมันก็จะเห็นอยู่นั่นแหละแต่มีความรู้แตไม่มีความรู้อยู่เรื่อยไปตองแล้วมีความรู้อยู่เรื่อยไปประกอบความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆไป ลูลูซื่ออย่าไปลูปแบบหาอย่าไปลูปแบบระมัดระวงังจนเกินไปลูปก็ใช่ได้แล้วบางทีลู่ที่ตายเพื่อนไว้มา น, นานเกินไปก็วางลงตั้งต้นใหม่แบบอื่นหายใจเพิ่ตาสลับฉากนอกระบบนอกลูปแบบไปก็ได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างก า, ารปรารกความเพียน มันมีลักษณะที่มันจำเจบางทีก็เข็ดหลาบไม่ภาคปฏิบัติที่มันเป็นรีบทีวเราก็ลุกเตอจงกรมหรือกำหนดเก็บไม่กวดเค็ดกติเค็ดหน้าต่างก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มากต้องใช้ให้มันแม่นยำาก็จะทำอย่างอื่น ไม่ใช่หลงไปกับความคิดที่จะไปทำโน่นที่จะไปทํานี่ให้ความคิดสั่งงานสั่งการตะพฤตตะพืะพ้ไม่เอาเราจะทํำสิ่งใดแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ความคิดหอบหิ้วให้ทําให้หยุดให้ข ย, ยันให้ขี้เกลียดไม่เอาต้องมีสติสัมปชัญญะให้คุ้นเคยสร้างสติไปกับกาย ให้กายคุ้นเคยกับสติให้สติคุ้นเคยกับกายมีสติเวลาที่มันหลงมันอิดให้สติมันไปแก้กความหลงความผิดความถูกให้เป็นทีแรกก็หัดถ้าเราหัดไปหัดปามันก็เป็นไปเองเป็นไปได้สติมันก็โชว์อยู่ทุกโอกาสไม่หลบแต่ถ้าเราไม่หัดมันหลบมันหลบได้ มันคอบงําได้มันไม่มีพลังเมื่อมันไม่มีพลังมันหลบได้มืนน้ำ ม, มันพลังมันไม่มีเช่นเราลดต้นไม้เราไปบีบสายยางมันก็หลบหายไปเลยพน้มามันน้อยไม่มีพลังแต่น้า ม, มีพลังพอบีบสายยางมันก็ไขว่แรงเรียกว่าแรงที่มันออกน้อยๆมันมีพลังขี้ก้นเห็นให้กลิ้งเลยก็ได้ เอาไปไกลๆก็ได้ถ้ามันมีพลังการสร้างสติ็เหมอนกันพลังของสตินี่แกล้งหลงก็ไปหลงนะจะแกล้งหลงจะแกล้งให้มันเล่นๆกับความหลงมันก็ไม่ไปหรอกื่อโกรธนั่นเนี่ยมันก็ไม่โกรธหรอกน่ารักนั่นนี่มันก็ไม่รักหรอกน่อรักจริงๆนะมันก็ไม่ไปโกรธนะเขาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ไปหรอก เพราะพลังของความรู้สึกตัวมันถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วเกี่กับกายกับจิตใจของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องสร้างออกเรี่ยวออกแรงอยู่ตลอดไปไม่ใช่ไม่ต้องออกเรี่ยวออกแรงถ้ามันเป็นแล้วดําเนินไปเองเอียงไปเองไหลไปเองลุกลึกไปเองเหมันฝังทะเลลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆ เ, เอียงลงไปเรื่อยๆ สูงมากสู่ผลไปเรื่อยๆนะง่ายที่จะไม่หลงความไม่หลงนะมันสะดวกกว่าความหลงแต่เราฝึกไปใหม่เนี่ยเพิ่มหลงมันสะดวกกว่าความรู้นะแต่ไปทําไปทําไปเนี่ยความไม่หลงเลยสะดวกกว่า ค, ความหลงง่ายที่จะรู้อะไรก็ตามถ้าจําเป็นควา ม, มารู้นนะต้องช่วยเราถ้าจําเป็นจําเป็นที่มันจะหลงที่มันจะครอบอะไรครอบคว า, ามย่ํายี่ อยู่ในเหตุการณ์สถานาการณ์แบบใดแบบหนึ่งความหลงความรู้สึกตัวมันจะช่วยเราจะช่วยเรามไม่ใช่จะต้องไปสร้างเป็นหลบไม่ได้หลบเราทาเป็นแล้วมันเป็นไม่เสื่อมเป็นอกุปธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมแต่บางทีถ้ามันเป็นกุปธรรมมันก็เสื่อมได้เสียอารมณ์เสียบางคนพอไปเจอ สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็เกิดอารมณ์เสียตาไปเห็นอะไรมาหูไปได้ยินอะไรมาเสิ่งแวดล้อมอะไรเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอารมณ์เสียเพราะมันเป็นอุปธรรมเป็นธรรมที่เสื่อมเราฝึกจนมันเป็นอกุปธรรมอุปธรมอกุปธรรมปริหานาภพให้อภิธรรมเกิดแล้วก็มีอยู่กระเราที่มันเสื่อมได้ถ้าเราฝึกดีๆมันไม่เสื่อมมันก็เป็นแล้วชีวิตทั้งชีวิต เป็นหนึ่งแล้วควมเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมชีวิตของเราก็ดําเนินไปโดยที่ไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีการกระทําอะไรบางทีมันก็สิ้นกรรมจริงๆสิ้นอะไรสิ้นกรรมสิ้นความหลงการสิ้นกรรมคือสิ้นความหลงสิ้นความทุกข์บนนั่นเลยสิ้นความโกรธบนนั่นเลยสิ้นเวรสิ้นกรรมก็สิ้นแบปไหนถึงที่ สุดหมายไปทางมีความรู้สึกตัวดําเนินไปเองนี่วิธีเราปฏิบัติมันทําได้เป็นกอเป็นกรรมอยากปลุกก็ทําเอาอยากหลงก็ทําเอาอยากทุกข์ก็ทําเอาอยากสุขก็ทําเอาความสุขความทุกข์มันเป็นสลับฉับหน้ามือเป็นหลังมือแต่เรามาสร้างความรู้สึกตัวมันเรียบในความสุขความทุกข์มันเรียบไปหมดเลยความสุขความทุกข์มันเป็นคลื่นเราจะว่าแล้ว รู้สึกตัวมันเรียบทําให้ความสุขทําให้ความทุกข์เรียบลงลองพื้นเหื่ความรู้สึกตัวไปเลยความสุขความทุกข์เป็นอัดแน่นเหมือนกับมิตรภาพแล้วมันก็ถนนลองพื้นไปเลยเราก็เดินอยู่บนความเรียบไปเลยสติไปอย่างนั้นสติต้องเดินอยู่บนความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงทาให้เรียบลง แปลว่าชีวิตที่เรียบชีวิตแต่มิตรภาพมาดสถานทางมาดสถานชีวิตมาดสถานเพราะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเรียบลงไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่วิเศษวิโสอยู่โยงคงพันพิเนหานอะไรต่างๆเล่าลื อ, ด, องงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อนี่มี เมตตาไม่เมตต า, ตานิยมไม่มหานิยมไปเอาดีคนก็หลงอย่างนั้นหลงความดีของศาสนาความดีของศาสนาคือทำให้ความโลภของโกรธของหลงเรียบลรงความสุขความทุกข์เรียบล ง, เ, บลงเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่แต่ตู่แบบอื่นแต่นี่ก็ถูกตู่กันมากนะถูกตู่กันมาก เป็นพระเป็นเจ้าไอะไรต่างๆตู่กันไปคนละทิศละทางไปเข้าใจผิดๆไปย่โ จ, จมกับเชื่อแบบไปทางน่นจะเคโกไปแทนที่จะเอาพุทธรรมมาเป็นสมบัติของเราทําลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปเพราะเราทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้จทีเ่เรียกว่าพุทธศาสนาเป็นพุทธอันนี้นะปฏิบัติธรรมแล้วก็ เอาไปทำดูเป็นอย่างนี้ก็เกิดศรัทธาถ้าศรัทธาแห่งความดีอาศัยความดีของคนอื่นไม่ใช่ศรัทธาสัมปยุทธ์ไม่แน่วแน่ไม่ก้าวหน้าห้อยหลังไปหน้าอยู่เรื่อยศรัทธาแบบนั้นก็มีการเป็นไปก็เสื่อมเรียก ว, วิกวิกฤตแห่งศรัทธามีมาตลอดการนับถือปุะสาทศาสนาการนับถือสงฆ์ไทยการนับถือ อะไรต่างๆไปตู่ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งไม่มาถึงชีวิตจริงๆของเราเองที้เราปฏิบัติมาแบบนี้มันเกิดอย่างนี้ไม่วิกฤตเลยไม่เสือเป็นอมตะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องกล้าหลงพ่อก็กล้าพูดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้จริงๆ จะไม่เกิดพุท ธ, ธะก็เกิดตรงนี้จริงๆเกิดพระสงฆ์เกิดพระธรรมก็เกิดตรงนี้มีรัตนนาฏไตตรงนี้พึ่งได้ตรงนี้ข้าพเจ้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกท่องหวงได้คือพึ่งคุณธรรมทีท่เราสร้างขึ้นมาที่เราสร้างขึ้นม า, า, า, นมาด้วยมือของเราไม่มีใครเอาให้เราเอาทำอย่างนี้มันเกิดจากนี้ก็มั่นใจแบบนี้ มั่นใจในการกระทําเรียกว่ากรรมตัวนี้มันจําแนกเราไปด้วยการกระทําของเราไปเอาดีจากสิ่งอื่นวัตถุอื่นไม่ใช่เด็ดขาดทำมันไดคําสอนอันใดที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องสอนให้เขาพึ่งตัวเขาถ้าคําสอนใดที่สอนให้เขาพึ่งคนอื่นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าต้องตัดเข้าไปอย่างนี้จะพระลงพลังออกปาง มากมายหลายอย่างเออตัวของพวกเองก็เคยหอบฟังมาแล้วไม่ชัดไม่เกณฑ์เสียเวล่วลาต้องมามีการกระทําให้เกิดขึ้นโดยกายด้วยใจด้วยมือของเราเอาชีวิตของเราไปสร้างเอาสร้างความรู้สึกตัวก็จะผ่านอะไรเยอะแยะบนทางแห่งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวพื่ให้ผ่านพาให้ผ่าน ปัญหาต่างๆเหมือนกับเราเดินทางการก้าวไปแต่ละก้าวมันผ่านผ่านขว้วผ่านน้ําผ่านลุ่มผ่านบ่อผ่านลอนผ่านหนาวผ่านสองข้างทางการปฏิบัติธรรมก็มันเหมือนกันถ้ารู้สึกตัวมันก็ผ่านแล้วผ่านความหลงแล้วความหลงขวงไในรู้สึกตัวอีกผ่านไปอีกความทุกข์ความเบื่อความขี้เกียจเจ้าข้านความระเลสงสัย รู้จึกตัวก็ผ่านไปแล้วสิ่งเรานั่นพาให้เราผ่านจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ผ่านสิ่งเหล่านี่จะสงบไปเลยมันไม่มีอะไรต้องผ่านนะเราจะปฏิเสธอะไรทั้งหมดนั่งหลับตาหลับไปเลยมันก็ได้อยู่ไม่ได้ทําชัว่วไม่ได้ทําดีอะไรก็หลับไปเลยเวลาออกจากภาวะที่หลับที่สงบมันก็ยังมีอะไรอยู่มันไม่ใช่ต้องสู้หน้ากันเถอะ อ, อย่าไปหลับอย่าไปสงบแบบก้อถีนก้นดินหลักตอแบบนั้นมันไม่ใช่ต้องมีสิ่งที่ต้องผ่านด้วยการกระทําเห็นต่อหน้าต่อตากันเนี่ยเกิดความหลงมันเกิดความปวดความมื่อยไม่ใช่คนหลับหลับจะไปรู้อะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องหลับตื่นอยู่เสมอต้องนั่งต้องยืนต้องเดินนอนโชว์โชอลองรู้ไม่ต้องหลับก็ได้แอ่เหนื่อยมากมากนะ ต้องนอนลองดูนอนแบบศพไปเลยหายใจรู้สึกตัวมันก็ท้าทายต่อความหลับท้าทายต่อความเหน็ดเหนื่อยเวลาไม่หลับในเวลามันอยากหลับรู้สึกตัวในเวลามันจะหลับมันเหน็ดเหนื่อยหมดแรงรู้สึกตัวขณะที่มันหมดเรี้ยวหมดแรงรู้สึกตัวมันเป็นคนละอันกัน ฝึกเขว้ถ้ามันเจ็บก็รู้สึกตัวในร่าเจ็บมันจะเป็นยังไงในร่ามันจะตายมันจะเป็นยังไงเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องผ่านตลาดเรานี่ให้มันได้จึงจะเรียกว่าฝึกผลมาดีถ้าไม่ฝึกผลมันก็แพ้นะแพ้อะไรก็ไม่แพ้เท่ากับแพ้ตัวเองแพ้ตัวเองคืออาการของกายของใจปาราัยตงนี้ปาราัยที่แพ้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าปาคริกนะ ไม่ถึงมักถึงผลแต่แพ้ตัวเองก็ไปชนะคนอื่นก็ยิ่งเร็วต้องชนะตัวเองการชนะนนตัวเองคือยอมเขาด่าเรายอมแล้วให้เขาสานเรายอมคือชนะตัวเราไม่ใช่ตอบคำสองคาไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนะมีทั้งสูงมีทั้งต่ํามาสูงก็รอดไป มาต่ําก็กระโดดข้ามไปมาตรงกลงก็หลบ้ายหลบขวาลู่หลบเป็นปีกลู่หลีกเป็นหางไม่ได้สู้ไม่มีอะไรถกเราเลยถ้า ม, ามาสูงก็รอดไปเลยถ้ามาต่ําก็กระโดดข้ามไปเลยถ้ามาตรงหน้าก็หลบไส้หลบขวาโบราณท่านว่าลู่หลบเป็นปีกลู่หลีกเป็นหางเหมือนนกมีปีกบินไปการที่หลบนยมันสะดวกตี่ชนกัน เขด่าเราเขาด่ า, ดาตอบเลยชนกันเหมือนคนสาดน้ําใส่กันก็เปียกทั้งสองทางถ้าหลบแล้วมันก็ไม่เป็นไรอรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ถูกกับอะไรเลยนะไม่เก็บไม่ปวดปวดง่ายๆปวดง่ายๆดูดูเห็นนี่แหละเห็นนี่แหละตัวภาวะที่เห็นนี่แหละเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางวันสุกก็เห็นมันสุกรนะ์ความศุกไม่ถูกเรา มันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์เลยว่าความทุกข์ไม่ถูกเราเลยความหลงก็เห็นความหลงน่ะความหลงไม่ถูกเรามันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยก็เห็นมันเนี่ยความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยไม่ถูกเราเลยพอภาวะเหตุมันเกลี้ยงเก่าเป็นพรหมจรรไม่เปื้อนกลื่อนกับเสี่ยงใดก็ไปทำก็ต้องเกิดอย่างนี้มันต้องเห็นอย่างนี้นักปฏิบัติไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตา ไม่รู้อะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ต้องไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นค่อยไปแก้มันก็แก้ไม่ได้ความทุกข์เข้าถึงตัวความโกรธเข้าถึงตัวความเจ็บความเก็บความตายเข้าถึงเราร้องโอ้ยโอ้ยไปล่องทําไมบรรลุธรรมตรงนั้นก็ได้นะบรรลุธรรมตรงมันเก็บมันปวดมันจะตายนะบรรลุธรรมไม่ใช่เดินอยู่บนหลอกไม้ ลอยบนข้างทางไม่ใช่บรรลุดทำต้อตงลุยความโรคความโกรธควาลงเลยลุยเลยความทุกข์ความยากลำบากอะไรต่างๆความโปด ค, ความเมื่อยในที่สุดเราก็โอ้ภาษาอะไรนะ้อมองแบบผู้ชนะัดจึงประสบการณ์จึงเป็นบทเรียนขอ ง, ของการการะทำของเราเองเราหลงเรารู้ เวลาใดเราหลงเราล้เจ้ตัวมีประสบการณ์มันปวดมันเมื่อยประสบการณ์กับความโปดความเมื่อยมีสติตรองนั่นเรียกว่าเวทานานุปษษัสสนามีสติไหมตรงที่มันสุขมันทุกข์มีสติไหมหรือเปล่าเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไปเลยเป็นตนหรือกายเนี่ยร้อนคือกูหนาวคือกูปวดคือกูหรือกูเหนียวกูเป็นยังไงคือกูหรือ ถ้ารู้สึตัวมันก็ลบความว่า ก, กูออกไปแล้วถ้ารู้มันปวดมันเมื่อยมันสุขมันทุกมันก็ลบความบ่ ก, กูไปเลยแต่มันคิดอะไรไปหลงไปกับความคิดไม่มีตนอยู่ในความคิดไม่แต่สติเหลียบไปเลยถ้าจะว่าแล้วทําให้เรียบไปเลยเรียบอยู่บนกองกายเรียบอยู่บนกองเวทนาเรียบอยู่บนอาการที่มันเกิดมันจิดมันจิดเรียบอยู่บน สิ่งที่ว่าครอบงำปล่อยครอบงำจิตหรือว่าทําเรียบไปเลยทําให้เรียบทําให้สะอาดไปเลยไม่มีอะไรขวางหน้าของตาต้องเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปชนนะหน้าผาขึ้นไม่ได้หน้าผาต้องทำให้เรียบเสียก่อนในกายก็เป็นหน้าผาในเวทนาก็เป็นหน้าผาใน จิตก็เป็นหน้าผาในธรรมก็เป็นหน้าผาต้องทําให้เรียบลงความเรียบลงพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขาเออเรียบลงไปแล้วเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเออเรียบลงไปอีกกันหนึ่งจิตตานุปัสสนาจิตก็สักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเรียบลงไปแล้วหลอดทั้งธรรมก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกคลตัวตนเราเขาเรียบลงไปแล้ว ไปเห็นกองลกูกไปทำกองนามาทำอา้าวพปทำให้เรียบอยู่รอบหนึ่งโอ้มันเป็นแต่อาการทาไม่ต้องเรียกว่าเวทนาก็ได้เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรียบลงไปอีกซ่อมซองลงไปซ่อมลงไปมันลดเกรดรอบหน้ารอบหลังกบไปเรียบไปเลยเขาสร้างทางเมตาภา a เขาถือแก้วน้ำใจไม่ให้ไม่ให้อะไรไม่ให้เฟียดภาษาบานหลวงพ่อนะ่ะ ภาษากลางๆเขาว่าอะไรหน้าไม่เครียดคนหลายรอบมันเรียบเลยนะอะเขาเอกให้เรียบเลยนะชีวิตของเราควรที่จะเป็นยังไงไปกระทบกระเทือนอ่ะเลยนี่แหละปฏิบัติทำทำนะาาําให้เรียบจริงๆนะสติเนี่ยพาให้เรียบง่ายพาให้เรียบจริงๆไม่มีขึ้นจะต้องเดินอยู่บนผูกข่าขวกตามทําไมชอบใจไม่ชอบใ จ, บใจขวบตามของชีวิต ยินดียินไล่เป็นขวกนักหนามของชีวิตสุขสุขทุกทุ ก, ทกเป็นขวกนักหนามของชีวิตนี่ได้มีเสียเป็นขวกนักหนามของชีวิตอ่างเรียบเรียบมันมีอยู่เราเสียเวลาทําไมเกิดมาทั้งชาติมีเวลานาทีวินาทีชั่วโมงถึงเดินอยู่บนเรียบเรีย บ, ยบแล้วก็ทําไรเราสร้างความเรียบให้กับตัวเองนะปฏิบัติธรรมบางคนอยากเป็นตั้งว่าเสียเวลา ไปอยู่วัดป่าสุขกโตจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝึกหัดทุกกรณีจะเกิดอะไรขึ้นให้มาสถานให้เมสมัตถนะเหมือนรถจานตุ่มหาไปทะเลหมอกอุน่นแดนพมาน่าเนพอจะขึ้นเอ่อขึ้นเนินสูงเราต้องเอาเท้าเกลี่ยก็ เกียวสองเกลียวขึ้นคานขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าจะขึ้นไม่ได้มันมีสมรรถนะอืพาไปได้ถึงเกี่ยวไม้ไปทางชีวิตของเรามันก็ต้องเก่งกด่ารถอยูนะ่นลเรต้องเราต้อ ง, า อ, งอาศัยรถ่ะคนขับไม่เป็นก็ไปไม่ได้ <c oughs> นี่เราขับเองชีวิตของเราไปเองนะรู้จุกตัวไปเองรู้จุกตัวไปเองช่วยตัวเอง ให้เรียกร้องหาหลวงพอ่อให้หลวงพ่อมาช่วยให้อาจารย์มาช่วยไปถามทีคำถามไม่ต้องมีเอาตอบไปเลยสร้างขึ้นมาสงสัยขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถามสร้างดูก่อนรู้ออกไปก่อนยังไม่ถามยังไม่ถามวบาออกไปมาหายหมดเลยคำถามถ้าเราปฏิบัติไมีแต่คำตอบจริงๆริงสัจธรรมอ่าเอาวันนี้ก็พอสมควรจะเวลา เราก็กราบพระพร้อมกัน